สานีวิทยุครอบกลัวข่าวสตรอกข้าพจาพระมหาไพบูพุ์อภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และในช่วงของวันพฤหัสและศุกร์นั้นก็จะมีคุณสันสนีนาคพง์มาร่วมสอบถามคำถามพูดคุยในรายการด้วย ในวันจันทร์ถึงวันพุธที่เรามาพบปะเจอะเจอกันอย่างนี้ถ้าพระเจ้าบังครั้งก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัติบ้างพูดถึงเรื่องของข้อธรรมหมวดธรรมต่างๆบ้างเอา น, นิทานเรื่องราวที่เป็นคำรรอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาอธิบายกันให้บ้างวันนี้ก็จะนําพุทธพจน์ทบทหนึ่งที่พระพุทิชาได้ตรัสเอาไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญให้ทาน การสร้างคำดีจะมีผลเป็นความดีเป็นความสุขพระรบเรื่องของสามเณรผู้หนึ่งที่ชื่อว่าสุมาณะสามเณรแต่เรื่องราวที่เขาอธิบายมากันเนี่ยท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวสืบมาตั้งแต่สมัยก่อนอดีตชาติทำบุญมาเป็นอย่างไรทำไมในชาตินี้มาเกี่ยวข้องกับท่านพระอนุรุทธะได้อย่างไรมีบุญบักรรมมาเป็นอย่างไรในชาติปัจจุบันนี้จึงเป็นอย่างนี้ แล้วก็ได้อธิบายถึงผลบุญที่ได้ทํามาว่ามีดีมีดีอย่างไรอย่างไรแต่ในวันนี้จะให้ได้ฟังในตอนแรกเรื่องของสุบรรณสามเณรที่ท่านนั้นมีบวชพระกรรมมาแล้วก็ออกบวชได้อย่างไรจนกระทั่งมาเจอท่านพระอนุรุทธะเรามาฟังเรื่องของสุบรรณสามเณรกันถ้ามาบทแปลเรื่องสุมรรณสามเณรภาคที่8 เรื่องที่263พระศาสดาประทับอยู่นะบุพพารามทรงปรารพสุมนะสามเณรตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยฮะเวทะโรภิกขุยุนชติพุทธศาสนโสอิมังโลกังปะพาเสติอภามุตโตวจันติมาแปลว่า ภิกษุไดแลยังนุ่มภาคเพียรอยู่ในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากหมอกเมฆสว่างอยู่ฉะนั้นตอนบุรพกรรมของพระอนุรุทธะในเรื่องนี้มีเรื่องเล่าต่อกันมาดังต่อไปนี้ความพิสดารว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปะทุมุตตะกุลบุตรผู้หนึ่งเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งยอดเยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยาจาักสุในท่ามกลางบริษัทสีอยากจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงนิมนต์พระศาสดาถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานถึงเจดวันแล้วตั้งความปรารถนาบ้างพระเจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยญาตจักษุในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตพระศาสดาทรงตรวจดูไปถึงหนึ่งแสนกับทรงทราบว่า เขาจะสำเร็จสมความปรารถนาจึงพยากรณ์ว่าในที่สุดแห่งแสนกับแต่พัฒกับนี้เธอจะได้ชื่อว่านุรุทธะเถระเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ได้ทิพยาจาักสุในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมเขาได้ยินคำพยากรณ์นั้นแล้วรู้สึกเหมือนว่าสมบัตินั้น จะมาถึงในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระาศาสดาปะนนิพพานแล้วจึงถามกรรมวิธีเพื่อให้ได้ทิพยะจักสุจากพวกภิกษุให้ทำต้นโคมไฟหลายพันต้นล้อมพระสถูปทองในรัศมีเจ็ดโยชน์แล้วทำการบูชาด้วยประทีปจุตีจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในเทวโลก ท้องเที่ยวไปมาระหว่างเทวโลกและมนุษยโลกสิ้นหนึ่งแสนกับในกับนี้มาเกิดในตระกูลของคนเข็นใจในเมืองพารานสีอาศัยสุมาณะเศรษฐีอยู่ทำงานขนหญ้าให้ท่านเศรษฐีนั้นเลี้ยงชีพเขาได้มีชื่อว่าอนนะภาระส่วนสุมาณะเศรษฐีได้ถวาย มหาทานในเมืองนั้นโดยสม่ำเสมออยู่มาวันหนึ่งพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้านามว่าอุปริท t h ออกจากนิโรธ ส, สมาบัติที่เขากันธาติคิดว่าวันนี้เราจะทำความอนุเคราะห์ใครดีนอะดังนี้ทราบว่าวันนี้ควรที่เราจะทำความอนุเคระาะห์ใช้ชื่ออนนาภาระ ตอนนี้เขากําลังขนหญ้าจากป่ากลับบ้านดังนี้แล้วจึงถือบาดและจีวนไปด้วยริดปรากฏตัวตรงหน้า น, นายอนนาาระ น, นายอนนาพาระเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหุ้มบาดเปล่าจึงถามว่าท่านขอรับท่านได้พิกษาบ้างหรือเปล่าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าตอบว่า คิดว่าจะได้ท่านผุ้มีบุญมากจึงเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญถ้ากระนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดรอสักครู่ขอวางหาบหญ้าลงรีบไปบ้านถามประยาว่านางผู้เจริญมีข้าวส่วนที่เก็บไว้ให้ฉันบ้างหรือไม่เมื่อนางตอบว่ามีอยู่ในเขาจึงรีบกลับมารับบาทของพระ เจกับปุทธเจ้ากลับไปบ้านด้วยคิดว่าแต่ก่อนเราอยากให้ทายรรมกลับไม่มีเมื่อทายธรรมมีกลับไม่มีคนรับแต่วันนี้ผู้รับเราก็พบแล้วและทายรรมของเราก็มีเป็นลาบของเราจริงๆนั่นี้แล้วให้ภรรยาเทข้าวลงในบาตรแล้วนำกลับมาวางภายในมือพระปัจเจกับปุทธเจ้า แล้วตั้งความปรารถนาว่าด้วยทานอันนี้ขอความขัดสนอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยคําว่าไม่มีดังนี้อย่าปรากฏในพบน้อยพบใหญ่ดังนี้ท่านเจ้าข้าขอให้กระผมพ้นจากชีวิตอันฝืดเกืองแบบนี้อย่าได้ยินแม้คําว่าไม่มีดังนี้เลยพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงทําการอนุโมทนาว่า ขอความปรารนาของท่านจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดท่านผู้มีบุญมากแล้วก็จากไปเทวดาผู้สิงอยู่ในฉัตรของสุมาเเศรษฐีก็กล่าวว่าน่าชื่นใจจริงหานที่เยี่ยมยอดตั้งไว้ดีแล้วในพระอุปริฐะปัญเจกพพุทธเจ้าเทวดาได้ให้สาธุการสามครั้งครั้งนั้น เศรษฐีกล่าวกับเทวดานั้นว่าก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านไม่เห็นเราถวายทานหรือเทวดาข้าพเจ้าไม่ได้ให้สาธุการเกี่ยวกับทานของท่านข้าพเจ้าให้สาธุการครั้งนี้ก็เพระเาะความเลื่อมใสในบินธบาทที่นายอนนาภาระถวายแก่พระอุปริทปัจเจกพุทธเจ้าเศรษฐีนั้นคิดว่าน่าสัจจริ ง, รงผู้เจริญ เราถวายทานมานานเพียงนี้ยังทำให้เทวดาให้สาธุการไม่ได้ในอนนณภาระอาศัยเราอยู่ยังทำให้เทวดาให้สาธุการได้ด้วยบินดบาบเพียงครั้งเดียวเราจะให้สิ่งอันสมควรกันในทานของเขาแล้วถือว่าบินดบาบนั้นเป็นของเราหนังนี้แล้วจึงให้เรียกเขามาแล้วถามว่า วันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครบ้างนายนาประนายกรับวันนี้กระผมถวายพระทหารแก่พระอุปริธาปเจ ก, กับพุทธเจ้าเษถีพ่อเอย๋ยถ้าอย่างนั้นเจ้าจงรับเอากระหาะนพณะแล้วยกบินดาบานั้นให้เป็นของฉันอนาประให้ไม่ได้หรอกนายเรถีนั้นขึ้นราคาให้จนถึงหนึ่งพัน ภายนายอนนาภาระถึงจะได้ราคา 1,000 กะหาปณะนะก็ไม่ให้ลำดับนั้นเศรษฐีกล่าวกับเขาว่าผู้เจริญเอาเถอะถ้าไม่ให้บินตบาดจงรับเอาทรัพย์ 1,000 พแล้วให้ส่วนบุญแก่ฉันด้วยเขากล่าวว่ากระผมขอปรึกษากับพระผู้เป็นเจ้าดูก่อนแล้วเจรินให้ทราบจึงรีบตามไปถึงพระประเจกพุทธเจ้าโดยเร็ว แล้วเรียนถามว่าท่านผู้เจริญสุมนะเศรษฐีให้ทรัพย์หนึ่งพันแล้วขอส่วนบุญในบิณฑบาต ท, ที่ถวายท่านกระผมจะทำอย่างไรในที่นั้นพระบัจเจกพระพุทธเจ้าชักอุปมาให้เขาฟังอย่างนี้ว่าเหมือนอย่างนี้ท่านผู้เป็นบัณดิตเขาจุดประทีปไว้ในเรือนหลังหนึ่งในหมู่บ้าน มีร้อยหลังคาเรือนพวกคนที่เหลือเอาน้ำมันของตนชุบไส้แล้วไปจุดต่อไฟดวงอื่นเอาไว้แสงสว่างของดวงประตีบดวงเดิมจะพูดได้ว่ายังอยู่หรือไม่อยู่หนอณุประแสงสว่างยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นก็รับพระปเจกุริเจ้าฉันนั้นนั่นแหละท่านผู้เป็นบัณฑิตจะเป็นข้าวยาคูกระบบยหนึ่ง หรือภิกษาถ้าพีหนึ่งก็ตามเมื่อบุคคลให้ส่วนบุญในบินดาบาตของตนแก่ผู้อื่นให้แก่คนไปเท่าใดบุญก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นท่านได้ให้บินดาบาตมือเดียวเท่านั้นแต่เมื่อท่านให้ส่วนบุญแก่เศรษฐีบินดาบาดกลายเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งเป็นของเศรษฐี น, นายอนภาระจึงรับว่า ดีแล้วท่านผู้เจริญไหวพระปัเจกกัะพุทธเจ้าแล้วกล้าไปหาเศรษฐีแล้วกล่าวว่านายครับจงรับเอาส่วนบุญเถิดเศรษฐีถ้ากระนั้นพ่อจงรับเอากหาปณะเหล่านี้ไปอนณะาระกระผมไม่ได้ขายบิณฑบาตกระผมแบ่งส่วนบุญให้ท่านด้วยศรัท ธ, ธาเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าให้ด้วยศรัท ธ, ธา เราก็บูชาคุณของเจ้าด้วยศรัทธาเช่นกันจงรับเอาไปเถิดพ่ อ, อนหนึ่งแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้ทำการงานเองจงปลูกเรือนอยู่บริเวณนี้อยากได้อะไรก็จงมาเอาจากฉันได้ทุกอย่างธรรมดาบินนาบา ท, ที่ถวายแก่ผู้ออกจากนิโรธสมาบัติย่อมให้ผลในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้พระราชาทรงทราบเรื่อง ก็ได้รับสั่งเรียกนายอ น, นัาาระเข้าเฝ้าทรงรับส่วนบุญพระราชทานโภคทรัพย์มากมายแล้วพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาตอนประวัติปัจจุบันของพระอนุรุทธะนายอนัาพารานั้นเป็นสหายของสุมมณเศรษฐีทำบุญมากมายตลอดชีวิตจุติจากชาตินั้นแล้ว ไปเกิดในเทวโลกเวียนวหา้ตายเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุ ป, ปบาทการนี้ถือปฏิสนธิในตำหนักของเจ้าสักยะพระนามว่าอามิโตตนะในพระนะครกบิลพัสนพระประยุลญาตทั้งหลายทรงขนานพระนามแก่พระกุมาร น, นั้นว่าอนุรุทธะ พระกุมารนั้นเป็นพระกนิษฐาพาดาของเจ้ามหานามาสาขยะเป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระศาสดาได้เป็นผู้สุกุมรารชาติอย่างยิ่งมีบุญมากเล่ากันบ่าในวันหนึ่งเมื่อกษัตริย์หกพระองค์เล่นคลุบพ น, นันเอาขนมกันเจ้าอนุรุตธาแพ้ จึงส่งคนไปทูลพระมารดาเพื่อขอขนมพระมารดานั้นเอาขนมใส่เต็มภาชนะทองครรมใบใหญ่ส่งไปให้เจ้าอนุรุธะสวยขนมแล้วทรงเล่นแพอีกก็ส่งคนไปขออีกเมื่อคนนำขนมมาส่งถึงสามครั้งในครั้งที่สี่พระมารดาส่งข่าวไปว่าตอนนี้ ขนมไม่มีชาวอนุรุทธะทรงสนับคำของพระมารดานั้นแล้วก็เข้าประทายว่าตอนนี้คงมีขนมที่ชื่อว่าไม่มีดังนี้เพราะไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีจึงทรงส่งคนไปด้วยพระดารัสว่าจงไปนำขนมไม่มีมาครั้งนั้นพระมารดากองพระกุมารนั้น เมื่อคนรับใช้ทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าในยะว่าขอพระแม่เจ้าจงให้ขนมไม่มีพระนางจึงทรงดั่มรียว่าบุตรของเราไม่ทราบคําว่าไม่มีดังนี้เราจะให้เขารู้จักความไม่มีนั้นได้อย่างไรเนอดังนี้แล้วจึงทรงล้างถาดทองคำใบหนึ่งเอาถาดทองคําอีกใบหนึ่งปิดแล้วส่งไป โดยรับสั่งว่าอ้าวพ่อเอาถา ท, ทองคำนี้ไปให้บุตรของเราขณะนั้นเทวดาทั้งหลายผู้รักษาพระนครคิดว่าเจ้าอนุรุตธผู้เป็นเจ้าของพวกเราถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแกพระปัจเจกพทธเจ้กกพาพระนามว่าอุปาริธะตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราอย่าได้ยินคำว่าไม่มี ดังนี้เมื่อครั้งเป็นคนคนย่าชื่อว่าอันนภาระหากว่าเรารู้เรื่องแล้วเพิกเฉยเสียสศรีรษะของเราคงแตกเจ็ดเสียงดังนี้จึงเนรมิตถาดให้เต็มด้วยขนมทิพบุรุษนั้นนำถาดไปวางลงใกล้เจ้าสาคยะเหล่านั้นแล้วเปิดถาดออกกลิ่นขนมทิพ ฟุ้งกระจายไปทั่วพนณกกรพอสักว่าเจ้าสักยะทรงวางขนมในพระโอษรถขนมได้แพ่ไปสู่เส้นประสาทารับรถตั้งเจ็ดพันเส้นทันทีเจ้านุรุทธะทรงดำรีว่าก่อนแต่นี้พระมารดาเห็นจะไม่ทรงรักเราเพระาะเมื่อก่อนพระองค์ท่านไม่เคยทำขนมไม่มีแก่เราประกุมานั้น กลับตำหนักทูลกับพระมารดาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระมารดาหม่อมฉันไม่เป็นที่รักของพระองค์หรืมอมารดาพ่อพูดอะไรเจ้าเป็นที่รักยิ่งกว่าในตาหรือยิ่งกว่าดวงใจของแม่ซะอีกอนุรุตม่อมแม่ถ้าหม่อมฉันเป็นที่รักของหม่อมแม่เหตุใดเมื่อก่อนจึงไม่ประทานขนมไม่มีอย่างนี้ให้แก่หม่อมฉัน พระนางตรัสถามชายคนส่งขนมนั้นว่าพ่อมีอะไรในถาดหรือเขานั้นทูลว่ามีพระแม่เจ้ามีขนมเต็มถาดข้าพระองค์ไม่เคยเห็นขนมเช่นนี้มาก่อนเลยพระนางจึงดําริว่าบุตรของเราได้ทําบุญมาเทวดาคงส่งขนมที่ไปให้ส่วนเจ้าอนุรุธาก็ทูลประมารดาว่า ม่อมแม่หม่อมฉันไม่เคยกินขนมแบบนี้เลยต่อไปขอให้ทำเฉพาะขนมไม่มีเท่านั้นให้หม่อมฉันแต่นั้นมาในเวลาเจ้าณุรุธทูลว่าหม่อมฉันอยากสวัยขนมพระนางก็ส่งล้างถาดตอง ร, รมแล้วปิดถาดอีกใบส่งให้เทวดาเนรมิตขนมให้เต็มถาดทุกครั้งพระกุมารนั้น เมื่ออยู่ครองเรือนไม่เคยทราบคำว่าไม่มีดังกล่าวมาเสวยแต่ขนมทิพย์เรื่อยมาก็เมื่ออองรถของเจ้าสากยะทรงผนวดทีละองค์สององเพื่อตามเสด็จพระาศาสดาเมื่อเจ้ามาหานามาสากยะตรัสว่าพอ่อในตระกูลของพวกเรายังไม่มีใครบวชใครเนาะจะบวช เธอหรือว่าฉันเจ้าอนุรุตตรัสว่าหม่อมฉันเป็นสุกุมารชาติเกินไปบวชไม่ได้หรอกเจ้ามาหานามะถ้าเช่นนั้นเธอจงเรียนการทํางานฉันจะบวชเองเจ้าอนุรุตตะอันการงานนี้เป็นเช่นไรที่จริงข้าวสวยเกิดจากไหนเจ้าอนุรุตตะยังไม่ทราบจะให้ทราบการงานได้อย่างไร พราะฉะนั้นจึงตรัสถามอย่างนั้นเราว่าวันหนึ่งเจ้าสากยะสามพระองค์คืออนุรุทธะพติยะและกิมพิละถามกันว่าข้าวสวยมาจากไหนในเจ้าสากยะทั้งสามพระองค์นั้นเจ้ากิมพิละตรัสว่าข้าวสวยเกิดในช้างได้ยินว่าวันหนึ่งเจ้ากิมพิละนั้น เห็นเขาขนข้าวเปลือกใส่ในช้างเพราะฉะนั้นจึงตรัสเช่นนั้นเพราะเข้าใจว่าข้าวสวยเกิดในช้างที่นั้นเจ้าพัิยตรัสกับเจ้ากิมพิระนั้นว่าท่านยังไม่ทราบจึงตรัสว่าธรรมดาข้าวสวยย่อมเกิดในหม้อข้าวสิได้ยินว่าวันหนึ่งเจ้าพัทยานั้น เห็นคนคดข้าวสวยออกจากหม้อจึงเข้าใจว่าข้าวสวยนี้เกิดขึ้นในหม้อนี้เองดังนี้เพราะฉะนั้นจึงตรัสอย่างนั้นส่วนเจ้าอนุรุตะตรัสกับเจ้าทั้งสองอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองก็ไม่ทราบเช่นกันแล้วตรัสว่าข้าวสวยเกิดขึ้นในถาดทองคาใบใหญ่ซึ่งสูงประมาณสองกรรมได้ยินว่า พระองค์ไม่เคยเห็นทั้งเวลาเขาตำข้าเปลือกไม่เคยเห็นทั้งเวลาเก่าหุงข้าวเห็นแต่ข้าวสวยที่เขาคดใส่ในถาด ท, ทองคําวางไว้ตรงหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเข้าประทัยว่าข้าวสวยเกิดขึ้นในถาดนั่นเองดังนี้เพราะฉะนั้นจึงตรัสอย่างนั้นคุณบุตรผู้มีบุญมากไม่รู้เลยว่าข้าวสวยมาจากไหน แล้วจะรู้การทำงานได้อย่างไรเจ้าอนุรุธานั้นได้สดับการทำงานอันหาที่สุดไม่ได้ที่เจ้าพี่ตรัสบอกโดยนยัยเป็นตนว่าอนุรุธมานี่เถิดเราจะสอนให้เธอรู้จักการอยู่ครองเรือนเริ่มแรกผู้อยู่ครองเรือนต้องไถนาจึงทูลลาพระมารดาว่าหม่อมฉันไม่ต้องการอยู่ครองเรือน แล้วเสด็จออกไปพร้อมกับพระโอรสของเจ้าสักยะห้าองค์มีเจ้าพัทยเป็นหัวหน้าเข้าไปเฝ้าพระศาสดาที่อนุปิยะอัมปวันทรงพนวดแล้วก็แลครันพนวดแล้วพระอนุรุทธะเป็นผู้ปฏิบัติชอบทำให้แจ้งซึ่งวิชาสามโดยลำดับนั่งอยู่บนอาสนะเดียวสามารถมองเห็นโลกธาตุ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 พิจารณาดูว่าเราทำกรรมอะไรไว้หนอจึงได้สมบัตินี้ก็ได้ทราบว่าเราได้ตั้งความปรารถนาไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามวา่าปทุมุตตะดังนี้และทราบอีกว่าเราต้องเที่ยวอยู่ในสงสารกล่าวโ น, น้นได้อาศัยสุมาณะเศรษฐีในเมืองพราราณสีเลี้ยงชีพ มีชื่อว่าอันนาภาระดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาว่าในการกร่อนเราชื่อว่าอันนาภาระเป็นคนเข็นใจเป็นคนขนหญ้าได้ถวายบิณฑบาตแก่พระอุปริทตะปัะเจกพุทธเจ้าผู้มียศดังนี้ตอนพระเถระระลึกถึงสหายเก่า เพราะนั้นท่านเกิดมีความสงสัยว่าสุมนะเศรษฐีผู้เป็นสายของเราให้กะหาพะนะแล้วรับเอาส่วนบุญจากบินตาบา ท, ที่เราถวายแก่พระอุปริทตัปเจกพุทธเจ้าในการนั้นบนัดนี้เขาเกิดที่ไหนหนอก็ในที่นั้นท่านได้ทราบว่ามีบ้านชื่อว่ามุนทะนิคม อยู่ที่เชิงเขาใกล้ดงที่ตั้งขวางมีทางทะลุเข้าไปที่นั้นมีอยู่บาศกคนหนึ่งชื่อมหามุนทะเขามีบุตรสองคนชื่อมหาสุมานณะและจุลสุมนณะในบุตรสองคนนั้นสุมนณะเศรษฐีเกิดเป็นจุลสุมนณะก็แลกรันทราบแล้วคิดว่าเมื่อเราไปในที่นั้น จะได้ประโยชน์ไหมท่านพิจารณาดูได้เห็นเหตุนี้ว่าเมื่อเราไปในที่นั้นจุระสุมนณะซึ่งมีอายุเพยียงเจ็ดกวบจะออกบวชและจะบรรลุพระอรหันต์ในขณะปลงผมเสร็จนั่นเองดังนี้แล้วก็แลครั้นเห็นแล้วเมื่อใกล้เข้าพรรษาจึงเหาะไปลงที่ประตูบ้าน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 ได้ทำอย่างนั้นแล้วอุบาสกอังคาาพระเทระภายในเรือนโดยกรพอารัธนาขอให้ท่านรับคําจะอยู่ชจำพัรษาตลอดสามเดือนพระเทระรับนิมนต์ครั้ น, นอุบาสกปฏิบัติพระเทระตลอดสามเดือนเวลาเป็นเหมือนปฏิบัติเพียงอยู่วันเดียวในวันมหาปวารณา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 ท่านผูเจริญมันเป็นลาบอันเกิดแก่ผู้อยู่จำบัญหาขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับไว้เถิดพระเทระช่างเถอดอุบาสกอุบาสกทำไมท่านไม่รับขอรับพระเทระอาตมาไม่มีสามเณรผู้เป็นกัปปิยาการกอยู่ด้วยอุบาสกท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นมหาสุมณนะผู้เป็นบุตรของกระผมจะบวชเป็นสามเณร พระเทระอุบาสกอาตมาไม่อยากได้มหาสุมานณะอุบาสกท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าจงใจให้จุลสุมานณะบวชเถิดพระเทระรับคำว่าดีแล้วจึงให้จุลสุมาณะบวชจุลสุมาณะนั้นบนรรลุพระอรหันตในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองพระเทระอยู่ในที่นั้น กับจุลสุบนสามเณรได้ประมาณกึ่งเดือนจึงลาพวกญาติของสามเณรว่าพวกอัตมาภาพจะไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเหาะไปลงที่กระท่อมกลางป่าในหิมมะวันตบประเทศตอนพระเทระปรารกความเพียรเสมอโดยปกติพระเทระเป็นผู้ปรารบความเพียร เมื่อท่านกำลังจงกรมอยู่ในที่นั้นในคืนแรกและคืนต่อมาเกิดลมขึ้นในท้องคือเสียท้องครั้งนั้นสามเณรเห็นท่านลำบากจึงเรียนถามว่าท่านก็รับท่านเป็นโรคอะไรพระเตระฉันเสียท้องสามเณรเมื่อก่อนท่านเคยเป็นไหมกยรับพระเตระเคยเป็นอยู่สามเณร ท่านฉันอะไรจึงจะหายกรับพระเทระได้ฉันน้ำจากสานโนดาจก็หายสามเณรท่านกรับถ้าการณนั้นกระผมจะไปนำมาถวายพระเทระเธอไปเอาได้หรือสามเณรสามเณรได้กรับพระเทระถ้าอย่างไรที่สานโนดานาคราชชื่อปัญกะรู้จักฉันอยู่ เธอจงบอกแก่พญานาคนั้นขอน้ำใส่หม้อมาเพื่อผสมยาสามเณรรับคำว่าได้แล้วจึงไหว้พระอุปชาแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาไปไกลเป็นระยะทางห้ารอยโยต์ตอนสามเณรต่อสู้กับพญานาคก็กวันนั้นพญานาคถูกรายล้อมด้วยเหล่านางนาคนักฟอน เตรียมจะเล่นน้ำพอได้เห็นสามเณรออกมาเช่นนั้นพญานาคก็โกรธเห็นว่าสมณะโล้นนี้เที่ยวโปรยฝุ่นเท้าลงใส่หัวเราสมณะโล้นนี้คงมาเอาน้ำในสาโนดาษบัดนี้เราจะไม่ให้น้ำดื่มแกเธอหนังนี้จึงนอนใช้พังพันปิดสาโนดาษซึ่งกว้างห้าสิบโย เหมือนคนใช้ถาดใบใหญ่ปิดหม้อข้าวไว้ฉะนั้นเราละทผูฟังตอนนี้ถึงตอนที่กำลังมันกันแล้วสุบนาสามเณรผู้ที่มีฤทธิ์มีความสามารถอย่างนี้กำลังจะต่อสู้กับพญานาคผลจะเป็นอย่างไรทผูฟังเรามาติดตามฟังกันต่อไปในวันพรุ่งนี้พญานาคใช้พังพาลของตัวเองปิดปากสะเอาไว้ ไม่ให้ลงไปเอาน้ำได้เหรอท่านฟังแล้วสามเณรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนั่นเรามาติดตามกันในตอนต่อไปนว่าสามเณรของเราท่านสุบรรณสามเณรนั้นจะสามารถที่จะเอาชนะพญานาคได้โดยวิธีการใดวันนี้เวลาหมดเวลาท่านฟังเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ